ขะาสมยนีเราเนือย้สเมืนตกังใจมาจากทางไกไเนื่สลับหรเราเ่อล้เมื่อเน่อาจะมาถึงทางไกลึงแล้วไม่ตั้งใจก็ือปฏิบัติก็จะคุ้มค่า ระะเวลาสิบป่าเพราะฉะนั้นการมาวัดมาที่สลอดสนาดมาที่วิเห มในจมน็จจมเนหนื่อในอย่างนั้นจะเคลื่ยใจในการมาของตัวเราจะคุ้มค่าใน ไ, ไดผลประโยชน์อะไรการจิดในเห็นคามดีเด่นของคำแล้วการเป็นอยู่ในป่าไม่มีสาราประโยชน์ไม่มีคุ้มค่าก็จิตจะต้องคิดลงไปตามอารมณ์สัญญา ทางโลกส่ว น, นใหญ่ถ้าหารเราเห็นว่าสถานที่ดีเหมาะพอสมควรปกุิจิดปุใจของคนปล่อยวางสัญญาอารมณ์จุตเคยผ่านมาตั้งหน้าบริกรรม์ตั้งหน้าทำความเชื่อจะกำหนดลมหรือจะกำหนดบทบริกรัรม์ใตั้งใจมั่นในคำบริกรรม์หรือลมอย่างนั้น คนใคนจิตสงบดิ่งลงไปคนหนึ่งปล่อยวางสัญญารมต่างๆขาดออกไปหม ด, ดววความสุขความสบายความเบากายเบาใจจะปรากฏขึ้นอย่างไม่เคยเห็นเคยเป็นแต่ไหนแตมาเมื่อเป็นอย่างนั้นความสุขความสบายความปล่อยวางสัญญารมต่างๆ จะได้สัมผัสในอดทำที่ในโชว์คงเคยเห็นจะเชื่อมั่นอัศจรรย์นในการปฏริบัติมีความขยันหมั่นเพียรภาวนาด่วยใจต้นฐานของการภาวนาหมายถึงว่าจะมาปลุกอบรมใจให้สงบเป็นบนตนืต้นฝนฝนโดยความสุข ที่ขาดจากอาพอจิตได้รับความสงบสงัดปฏิบัติเห็นผลอย่างนั้นอาการจากความสงบโง่ขึ้นมาจากความโลงเรื่อพิจารณญนาอัตถามต่างๆที่ช่วยค่องจิตจิตใจเพื่อจะให้ความรู้ความเห็นของตนเดินชาดลงไปแก้ไข ความติดข้องห้องใจต่างๆให้ขาดให้หมดออกไปหายใจได้รับความสุขความสบายในการประพฤติปฏิบัติอัดทำผลทุกคนจะต้องส่งเหวินเหวนในตัวของตัวเองถ้าในเหวินอัดเหวินทําอะไรการประพฤติปฏิบัติก็อในคอยจะเอาใจใส่ในค่อยคิดใจในการกระทำ เ่าเหวินเหวินเหวินประโยชน์จากการกระทางทงกคนในเหว้นผลของการประหนักทำการปกดข้าก็เกิดขึ้นกาเหวนนตามดีเด่นเหวนนวามรับของเหวินคำหรือามฉลาดต่างๆเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติการพยันนมันควรเกิดเพิ่มคูนทติคูณตุกการปฏิบัติหัวใจหรืจับ โดยเจ้าของตัวเองไม่ใช่คนอื่นจะมาหยุจยกให้ดูเพราะถ้าหามีสติมีปัญญาทีนี่คือริาเห็นจิตของตัวแล้วใจเห็นตามจิตทอดไย่ตามปล่อยวางต่างขาดออกไปเลุดออกไปตามละเอียดของใจวันนั้นเคยคนอย่างนั้นวันนี้เคยผู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จะเกิด ความชำนาดกัรอทาทธรรมเรื่อยไปจนจิตใจเชื่อมั่นหลการสะพิตปฏิบัติอทาทธรรมของอาจโชจร้าหากทุกท่านทั่วโลกดูเห็นเป็นอย่างนี้จะมีความสุขความสบายไ ม, ม่ีไม่มีเรี่ยงราวอะไรที่จะใช่คิดคิดข้องเหนือนของโลกาหาเห็นเป็นีอย่างนั้นจะเชื่อมั่น ถ้าไเห็นเ็เพียงมหล่อแหลไหล้องใจเปดโผไปทางนี้โไปทางนี้และเปิดสงใสเื่อยไ่จะทาอย่างไรจึงจะมใจเห็นจะยืจะเดินให้ตาปล่อยวางเรื่องของโลกจะไม่มีในจิตในใจเพราะอย่างนั้นก็ยึดอย่างนี้จะถือเห็นเรื่องของห่อยไม่หนเเลยจิตใจจะเป็นโลกอยู่ตลอดเวลา การเห็นธรรมเกิดขึ้นในการต่อพิจาริาความเชื่อมือนหรือการสัมผัสในธรรมเราได้สัาผัสมีสม่ำเสมอจะมีจิตมีใจอยากจะอพิบัตณาเกี่ยความรากของเกี่อวกับปล่อยวางเกี่ยวกมบหยุดพ้นในความผุดฝังของใจอุท่านธุ์ผู้ต่ิบาติโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นเป็นธรรมการได้รับสัมผัส จะอาจทำอย่างนั้นแต่จะเกิดความเัตจักรในตัวของตนเองถึงม น, นุษย์ทั่วโลกจะไม่เห็นในดีในเด่นในเช่นในใจนัจ่นเป็นหล่วยของเขาเรามีห น, น้าที่จะพิจารณาจะกำหนดศึกษาอาจทำอย่างไรจากใจกับอารมณ์จนก็ศึกษาหน่วยไปจนละวางขอของความยึดมั่นสําคัญหมายในเรื่องต่างๆ ทาใจให้ขาดให้ตกออกไปเห็นอันยโสทําเบาความจำายตายในใจขั้งตัวเห็นความชั่วเป็นทุดเป็นไทยเป็นไฟที่แฉกเขาและขอนได้เทไรก็ยิงห่างไกลจากความเชื่อจากไฟอันตรายจากไฟที่กจะเผาใจตัวและความเยกเย็นเมื่อมันมีไฟอันตรายมันมีไฟในเขา เราขอทราบครับม่าความเย็นเของใจเป็นอย่างนี้อย่างนี้อีกอันิี่สองปัจจุบันที่เราท่านจะต้ อ, องได้รับก็คือความมีความเห็นกวามดีความหยินข้าใจการฝึกใจจึงไม่ควรจะมองข้ามทุกคนจะควรติดตามฝึกใจของนนนตนเพราะใจท่านั้นเป็นตัวการสําคัญที่จะไปติดข้อเสาหมอนหอเสกเพลน ในเรื่องของโลกหากเอาฝึกใจอบรมใจไปพูดปฏิบัติใจตามอัตธรรมตามสว่างสวายตามสงบหย่อเย็นเข้าใจจะต้องเห็นจะต้องเป็นขึ้นในอย่างนั้นศาสนาปกครอม่โยมโยงคงมาตลอดถึงวันนี้ทางหากศาสนาไม่จึงคลองดีอัตธรรมฝึกผูกฝึกอบรมไม่เห็นไม่เป็นเฉยๆไปเล่าจะมีจิตใจ พอพูดปฏิบัติการจริงเชลื่อนเท้าของจิตจิตใจจิตคล้องทั่วโลกคนที่เกิดมาจะรู้เสียงดินเล็บเสือผ้าษ้าต่างๆสิ่งทุกคนเคยหมักหมม ม, มาจากไหนแต่ไรว่ื่าทำจิตคล้องท้องใจจะต้องจิตคล้องในรูปเสียงเรื่องราวต่างๆผู้บอกไป เหตุใดท่านอยู่ตามป่าตามเขาท่านไม่มีอะไรเป็นเครื่องดูที่จะให้เผยเและเนทาโลกท่านจึงอยู่ได้แเพราะท่านที่ลีจจิเรนาทมีเห็นเป็นจริงในเรื่องของอัตชันเรื่องอัตชันเป็นของอัจฉริย์ยึดต่อเรื่องของโลกไม่อย่างนั้นท่านก็จะต้องกวนไปหาสถานที่ในเรื่องของโลก อย่งองโลกคจท่องทุกคนเคยแต่จดพบมาอย่างทีเหนือปัหานาน่าชีวิตต่างๆโดยห่วยนึงมีปัญญานว่มีอุบายว่งมีจิจตใจที่ฝึกเยียในตัวขึ้นตัวเองไม่ได้ยังไปขึ้งอาศัยรูปเสียงใต้น่นาขึ้นตัวเองได้ก็ไม่ต้องไปเาะไปอาศัยสื่อคงรจะขึ้นตัวเองซึ่งอาจขึ้นทำอยาจะให้ กำหนดระงับเมื่อใดกำหนดลงไปหาดจากสัญญาอารมณ์ได้อย่างพิจารณาอะไรพิจารณาไปหมดความเฉื่อยใสคัดเกนเข็ญกระจัดเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าตัวเองซึ่ตัวเองเ ไ, ไ, อไ ด, มม ด, มม ด, มมด้มีอักคมในตายในใจเราจะไปจิดจิตข่องสัญญาอารมณ์จงโลภจิตข่องจะทําหม่ เข้าใจรู e, en, канал, ้เห็นเด่นชัดอยู่แล้วว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ต่อควรความสุกของใจวนต่อควรให้เกิดทุกขเวทนาวนที่จะนําพาจิตใจให้บ่รสชาติต่างๆเรายังห่วงยังห่วงบ่เพราะเนื้อปัญญาของเรายังไม่มีแติตของเรายังไม่พอจิตของเรายังไม่สงบ ถ้าเราเห็นเราคป็นเด่นชัดหยุดสงบสัดปัญญ า, าเกิดขึ้นสติระลึกได้งระยะเวลาเราจะไปติดข้องเรื่งองของโลกทาไมเนืกก้อจเป็นโลกอย่างนั้นความสาคัญมันไมหมายหญิงวายชายะเขาว่าเรานั่นเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของสมมติตามจิเป็นอย่างไร ข้าพี่ชายโดยตัญญาหาแต่จัดทำใส่ใจจริงจังจะไม่ิดบ ข, ข้าเพราะเรืองของชายที่เราถือว่ารู้วยิ้งวาชายต่างๆไม่มีความหมายอะไรข้าพิจารณาลมพ้นธาจะเป็นถาตยินน้ำลมไฟเสมอตันแล้ะจีงเหล่านั้นเขาเจตกำหนัดยินดีเขาเจอเจรนญกับอะไรบ้างไหมไม่มีทางนั้น ทุก m ิ่งไม่มีแต่เขาผ่านเหล่านั้นคือเขาไหมายในยึดจะจุดใจยึดใจขี้ใจมันใจไหนไปขี้ว่าหยิบอะรจางและเสือแรงแนวหน้าถูกหน้าดต่างๆนานาืทให้ใจเดือดร้อนเพราะไฟาะแบเขามีร่าเย็นมีสบาย ผู้ประพฤติปฏิบัติอัดคำฉันละฉันถอนฉันปล่อยฉันวางด้วยการที่มนุษย์เจริญด้วยการเห็นใจจะทำตามจริงจริงแล้วมาติดข้องมายึดถือขันจริงๆมนุษย์ที่หน้าอัยจรรหน้าปราด้าหน้าบูชาไในสถานที่ใดไม่มีใครอันตรายเพราะขันในจริงใครอันตรายแก่ตัวขั้นขันแล้วก็ในเริงใครอันตรายต่อคนอื่นจัดอื่ เพระนั้นเราทุกท่านจิตผลิตใจของตนก็เพื่อความสงบเพื่อความเบาเอความสบายเพื่อความเห็นจิงเราปฏิจจธรรมแล้วความจิตปฏิจจธรรมเหล่านั้นถ้าหาจิตนุ่มหลงจิตติดข้องปฏิจจธรรมก็เลกลายเป็นของไม่จริงในแน่นอนใป่พอใจของเราไม่จริงใจของเรา ตัวใจของเราเสียอะไรตกิเลยกลายเป็นของตัวของเสียตันตามตันไใจจึงเป็นของสําคัญแต่ก็ไม่เหลือวิสัยที่ทุกคนจะฝึกผลอบรมดัดแปลงใจใจท้องตนยุ้งแจ้งเห็นจริงได้ถ้าหากคิดจริงทำจริงทำราดถอนก็ยุ่งแจ้งแทงตลอดในอัดคำจะต้องยุ่งเห็นเป็นขึ้น เพราทำเป็นอาสานรโกไม่มีการมีสมัยใครตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ อ, อาธรรมคนนั้นจะเห็นจะดีจะเด่นใครไม่ตั้งใจบ่อยปล่านเลยแ่าการ น, นั่นก่อนสมัยเงินก่อนโยนอาจโยนทำไปข้างหนา้าแต่การสะสมที่เหลยอตังหาไม่อ่างการอ่างเวลาพอรับตัรับกตก้อชอบตัวชอบตัว เบียดตัวชั่งกับเบียดตัวชั่งไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของใจใจจึงเป็นทุกข์ใจจึงได้รับความเดือดร้อนความเห็นความเป็นของใจเนี่ยจะป่อยวางละถอนเรืองของโลกจิตเป็นโลกหน่วจิตเป็นโลกจิตเป็นโลกธรรมะของพระพุทธเจ้าพวกเราเนี่มีคุณค่าสาระประโยชน์อะไรถ้าหากฝึกใจให ราษฎรไม้เห็นสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วเรื่องต่างๆทั่วโลกจะเลยเป็นธรรมสม่ำเสมอกันไปหมดจิตใจในคิดช่องจิตใจในยิตถือย่างเดียวและจะมีความเบาความสบายจะมีความสุขแฉ่ไหนปวดมาใจแดบกบนานาทุกชิใจแดกที่เหลือปัญหาไม่มีเวลาไนพักผ่อนปล่อยวาง ว่าเรื่องเหล่านั้นทำให้เจิดโรนทำให้สนุกสนานแต่จากหลังท้องมันยืนจังแล้วแทบเขาเดือดร้อนวุ่นวายนำทุกทางตายทางใจนะฮะในใจทางสุขทางสาบายพระพุทธเจ้าท่านมีพระกติพระปัญญาเพียงพอบริบูลเมื่อเห็นตามเป็นทีิ จึงเลยมาเนี่ยสอนพวกเราในสใตว์ตันติเดาในขาดขเสเรื่องเห็นตามเป็นจริงในประไทยทุกข่้นอย่างนั้นทุกคนทาหากในจิตควงเ่องของโลกในยึดถือเรื่องของโลกเรื่อ ง, องอเห็นตามเป็นจริงแล้วความเสี ย, ย, ย, ยใจความเศ้าใจความน้อยใจความต่ำใจจะไม่มีเพราะเรื่องชีเล่ ที่มีอยู่ในใจเป็นสิ่งที่ฝึออกอบรมได้ละถอนบด้เกี่ยมทุกเรื่องท้องาจเป็นตัดจ์แฉกำเพราะเกิดแจ่เจเ็บตายเป็นผลของเรื่อนวิชาปัญหาอุาทานต่ำถ้าหากเราเห็นเด่นรับเราจุดยิดข้องอย่างไรใน ล, ละถอนเราต่อยวาง เราเห็นตามเนจริงต่างๆบนจิตหลุดลอยออกไปจากความยึดถือจากสมมติจากโลกเป็นอย่างไรรเห็นเป็นจริงอีกเมื่อเป็นอย่างนั้นาิององใจในเรื่องต่างๆหมดไปแต่เรื่อง่เป็นผลของกนเ่าก่อนที่เสสมอุมมาานีอยู่ ท่านต่อรู้ว่าส่วนเหล่านี้เป็นทุกข้องขันในใจะทุกข้องใจที่ไปยึดมั่นหรือมั่นแยแคร์หรือมุ่มหลงเราคอยลันคอยคืนที่มันจะแตกหลายไปเท่านั้นส่วนใจของท่านบริสุทอย่างไรบริสุทธุ์อยู่ตัง้งแต่วันสายถึงจนกระทั่งวันสวิตินิานคื่วันต า, ายหนูพวกเราทั้งหลายในเรื่องเห็นเป็นจริงอย่างนั้น ในชาบ้ทุกของขาดของขันหรือทุกขอที่เหลือกันหาที่จิตใจนําเข้ามาแตบเขาตัวเองฉะนั้นจึงวุ่นอยู่ทุกการทุกเวลาในวันก่อนวันลาของเบาสบายไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าชาววัดไม่ว่านักบวชไม่ว่าคนจนไม่คนรวยหรืจะสมบัติมากมายหลายหลวงขนาดไหนแต่เท่า ใจยังไม่มีว the ันพอวันอิ่มยังอยากนอนอยากนี้คนไม่มีขอบมีเขียวก็ส่วนเหล่านั้นได้นะมีความสุขความสบายแค่ไหนจำเกินหรือไม่ที่จะไปคิดไปตูกถ้าหามีการมีเวลาปอยวางได้ก็ยังมีวันเบาวันสบายพอคนสควรอยู่แล้วไม่ได้ไทํา ไปเห็นไปพูดแต่เราอยู่เฉยๆนัองเพรานาหลับตาอยู่แต่ยังแวบออกไปหาคืนหาไฟหาสิ่งสิ่งจะทำจิตทันใจให้เดือดร้อนขุนเพียงต่างๆนี่เรี่ยงจิตที่ไม่เดือดรุ่สมาชือไม่เดือดรุ่มปัญญาไม่เดือดรุ่งศึกษาในสัตว์จัดทำเป็นไปอย่างนั้นถ้าหาศึก อบรมทิดวิจารณ์มาดูเห็นตามเป็นจริงหลายสิ่ข้องพวงมีการเกิดขึ้นและแปรปวนแตกฉลายได้ว่าตัวของตัวเองหรือสิ่งใครนื้อหุ่บ <Morris> ด <unc ons Wales> ah ีเสียงกุดีสิ่นรสสัมผัสกุดีต่หาว่าสิ่งเหลนั้นยังคงเป็นคงวางไม่มีการสุดหายแตรปวนแล้ว โลกนี้ไหนมีที aces, no. no. ่อยู mm. izes, ่ที่อาศัยสุดท้าลู้ก็จะแน่นใจสุดท้าเสียงก็เจียวหึแตกเพราะมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เลยสิ้นหายไปที่ไหนนี่มันเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกสลายไปพวกเราทั้งหลายจึงได้อาศัยพอเป็นสุขพอมีทางหายใจได้ไม่อย่างนั้นมันแน่นหมดอยู่ไม่ได้อกแตกตาย แต่เราทั้งหลายในเด็กที่วิจิตรนาจะจิตคล่องแต่มันจะคงที่ดีงามอยู่งมนานอย่างนั้นอย่างนี้ต่เลยลืมหลงอัดัำคาสอนของพระพุทธเจ้าใส่ใจว่าอายุท่เราของเราจะยืนนานแต่เช่นกันจึจะต้อปฏิบัติอัดคำนี้มาอย่างนั้นก็มีชิดลึกลยทางที่จะฝึกอดวมตัวหลงแลเรืงเสื่อเลื่อนไปตลอดเวลา คิดว่าสมบัติหามาได้จะเป็นของค้องตวดเอาอัดคำคาสองของเจ้าการจึงเข้าไปที่ิจาราคอจะให้เห็นว่าส่วนนั้นไม่ใช่เป็นจริเป็นของหลอกวงเป็นของสิดิองเป็นของโง่เขลับ คือเป็นเหยีงื่อนขาหมัพราะคนกางเรานั้นเขาไเดือดร้อนเลยถึงเราเขาไม่ไดเป็นของไาหมดด่างยึดถือเอาเวลามันิหายใจเสียใจได้ดีใจอ่เป็นเรื่องของใจชอบใจยินดีต่างหากานไม่ยินดี แดยเคลียใจว่าหน้าที่ต้องพ้นเป็นอย่างไรจะรักษาขนาดไหนโดยจะต่อเป็นไป ต, ตามธรรมชาติขาดแขมงสงบนเมื่ถถอใจเห็ น, นตามเป็นจริงอย่างนั้นการที่จะยึดจบถือจะลืมจะหลงจนเป็นไปจะเป็นไปนไม่ได้อเพราะเห็นหนึ่งใดจาเป็นก็ทาไปหนึ่งใดไม่จําเป็นก็ไม่ต้องทำไป คือียง่าการรักษาขาดขันไปสั้นระยะไมยึดถือว่าอันนั้นเป็นของเราเป็นขอของเราลรวการแสวงหาควอมกลัวท้าทุจิตใจส่วนน้อยไปเบาไปสบายไปเหตุนั้นทางศาสนาทางพระไม่ว่าวิวรณ์ม่ว่าอาหาไม่ใชเข้าเฉื่อย วันนี้พวกอยู่กินและที่อยู่ที่อาศัยยาแก่ท่านเจ้าท้มีการกำหนดที่นิพิจารณาเรียกว่าปี่สังขาโยมนิพิจารณาแยกทุกอย่างไปไม่ี่จารณาอย่างนั้นขบขันนม่งห่มอยู่อาศัยรับทานไปเปิดอาบัต เกิดคามเสื่อเกิดความเสียเกิดบาดหุ่เหนื่อยทางวิจะรณ์นาจะแยกถ่ายเทก่อนพิจารณ์นาอย่างไรถ้านึ่งฆ่าหงุมฆ้าห่าเราหน่อ้ที่จะรณ์นาเอาชีวิตสั้งหาเปนผู้นาจะเกิดความผิดอกผิดใจและเสียใจไปต่างๆถ้านุาหงุมหรือว่า เป็นเคื่องป้องกันหนื่อออและจบปิดอวัยวะผิวหน้าละอายของนั้นไม่ได้ตกแต่งให้ส้อให่งามให้เปอก่ยอะไรลู่ไปคมไปพอประทางชีวิตจิตคิดทีด่จะได้ดดดนาอย่างนั้นการที่จะยึดถือในความสวยงามต่างๆ ตกออกไปหมดออกไปคนที่จุดท่องในไปสิตนิพพานานาแต่ความโกเกะงานงานอย่างเดียวถ้าหนาวแบบมั้นผ้าบางต่อนมันเปลืองงานงมันหนุ่งม่นผมถ้าบางเปวือความเปลืองงานานหนาวจะตาถ้าหนาวร้อนถ้าเป็นถ้าหนามันเปลืองงานงมันหนุ่งผมกว่าร้อนอีกฉะนั้นการนุ่ง่มในทางศาสนาสันติใ้นิจารณา เยอะกว่าจึงหนึ่งหกเยี่ยมหนึ่งหกแต่ว่าความจำเป็นของขาดแขนความจำเป็นของเลขะวาสะที่เขาจะมีศิลปินทาสังหากในเรื่งอความโกรหรือลหลางานตาในได้่อาไอ้เสือตันหาเป็นผู้นำของจ่เอาคำมาเอาศาสตร์จัดรม พิจารณาอย่างนั้นการขดขันอยู่กินก็เหมือนกันว่าธาตุขันมันจําเป็นที่จะอยู่ได้จะต้องอาศัยอาหารเหมือ น, นไฟถ้าไม่ยืเชื้อไฟมันก็อยู่ไม่ได้จะต้องดับไฟต้องอาศาาัยเชื้อไฟจริงจับตั้งอยู่ได้มีการรับทานอาหารการขดขันอาหารจะพิจารณาอย่างนั้นพอบรรเทาพุกขาวเวทานา พอมีกำลังแรงชาที่จะไปะปฏิบัติอาชธรรมไม่ได้ติดช่องในรถไม่เชื่อว่าอันนั้นอริสอร่อยอันนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้สิงได้ที่ใน็นไทยอันตรายต่อธาตขันไม่สแสดงตนุไทยในตายตัวแล้วไม่ผิดจากธรรมดีในธรรมสอ ง, องของพระพุทธเจ้าที่ห้ามอาไว้จิ่งนั้นท่านผู้มีอาชธรรมท่านขันได บริโภคได้เพราะจิตใจของท่านนธรรมในมุ่งหวังว่าจะบำรุงร่างกายในดหญ่โตและงรขันในมุ่งหวังว่าอันนี้มีรดออดไม่ติมีแต่เื่อว่าเอามาบำรุงฟอสรางับดับเวทนาแล้วก็ฟอมีกาลังวางชาเพื่อปฏิบัติอัถเท่านั้น นี่คันเป็นจริงสิพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอย่างว่าปฏิสังขายโยคคือให้พิจารณาหยาบหายภายในตัวของตัวอย่องอาหารหนอกจากนั้นจะพิจานณาถึงธาตาตบดินถาบนน้ำตัวต่งเอาดินเอานำ้ำมาบป็นไว้้าดลมถาดใจสมุนกันไม่อย่างนั้นจะดับตัวแตกสลายถึงยังไงถึง ฟาวถึงสะไหมนั án, ồng, ่นแตกจะลายก็ต้องบำรุงมันไว้เป็นธรรมดาแต่บารุงรักษาอย่างไให้จุดช่องอย่าให้จุดจุดหนึ่งไปในทางเสื่อทางเสียการพิ่จารณาเรื่องอาหารเรื่องเรื่องหนึ่งผมที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันพออยู่พออาศัยได้ก็แหละเหมาะสมไม่ใช่จะให้ใหญ่ให้โตให้สวยให้งามอย่างนั้นอย่างนี้ คนภาละหน้าที่ยุ่งเหยิงอยู่ขณะไหนจิตใจยังไม่ชอบพอยังอยากได้ใหญ่โตแล้วโฉมานอยากได้สวยงา ม, งามอย่างนั้นอย่างนี้คนอย่างนั้นไม่มีวันมีเวลาที่จะมีความสงบสงาดของใจนี่จะก่อสร้างที่อยู่ที่อาศัยในีาาเวลาเวลาที่จะปฏิบัติจิตใจของตน ใส่ใจเงียงครับเเห็นในอัจทาได้เลยเห็นว่าภายนอกเป็นเรื่องจาเป็นเรื่องภายในที่จะแก้ไขจิตใจต้องเป็นเหตุจิตท้อไว้เลยแต่ในที่นี้ที่จะน่ะไม่เคมีโอกาสเวลาจิตท่าเป็นจิตีมีตัญหามีความใหญ่ใหญ่ใส่ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทือว่าใช่ผู้กท คำสเขพระองค์พระอง์สออย่างนั้นแมากน้อยันโดคำสของพระองค์ให้เป็นคนเลี้ยง่าอยู่สบายที่อยู่ที่อาศัยตอกันแดดกันฝน้เมาะแล้วดูแลราเรแล้วนิสแล้ว ให้ hey, ตั้งหน้าตั้งตาตั้งที่ปฏิบัติไม่รู้อัดไม่รู้ทำขอําคันสืบพระพุทธเจ้าพันมุงมัน่นและสอนสั่งโลกผูกคล้องอยู่ทาราจิดเงื่นตามเป็นจริงไม่อัดทำแล้วผู้อยู่ที่อาศัยไม่เป็นปัญหาหลักหนาอะไรโดยอยู่ร่วมไม้เงื้อตายเผาก็มีความสุขตายสุขใจ ว่าใจไม่ยึดถือไม่ติดข้องมีอัดคำประจันตัวสมันเสมอถึงระยะทุกเวลาถึงที่อยู่ัะนี้หล้างงามตาใหญ่โตระหโหฐานขนาดไหนถ้าใจมีกิเลสมีตัญหาความส้บูรณ์ควรสุขของใจไม่มีก็เลยไม่มีความสุขพราะรุงคิดอยากใจเดีนเย็นเลิกจะเกิดขึ้นเไื่อยไป ใจเป็นของที่พอไม่เป็นทาใจเป็นทางที่ใจเป็นทางสั้นๆมีใจะจะแอบเผาตัวของเราให้เดืร้อนด้วยใจดันั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องอัดคำต่างๆเพื่อแก้ไขจิตใจที่ติดข้องให้ปล่อยวางให้เบาให้เบิกบาน ให้เยียบยวนให้รู้ทั่วตามความเป็นจริงรอยู่ตามที่เจนาดวกตาหนุนหม่มหรืออยู่จินตลอดถึงจะแก่รอแต่ที่เจ ร, รนาอย่างนั้นพูอที่ในที่เจนากนา็จะถือว่าอันนั้นต่ําอันนั้นสูงอันนี้ดีอันนี้ชั่วจะเลือกหาจะไม่มีโอกาสเวลา พิจารณาขัดาถ้าผู้พิจารณาอย่างนี้ก็อยู่ในสถานที่ใดก็สะดวกสบายพอสมควรยิ่งอยู่ในที่ส ง, ง, ง, งบนิเวก็ยิ่งมีโอกาสาเวลาที่จะคิเพิจารณายกคายเข้าไปใจจะเห็นใจจะรู้เรื่องอัดคำต่างๆในม่งลุงไปในทางใหม่เห็นที่อยู่ที่อาศัย หลับที่นอนตลอดเลยเรื่องบริโภคอยู่กินต่างๆเหมือนเป็นของธรร ม, มาดราพิจารณาเข้าใจทัดเินเห็นที่แจ้งว่าคนจะอยู่ในสถานที่ใด บ, บริโภคอาหารเกิดวัตขนาดไหนเรื่องของความเจ็บความตายก็จะตามมาทุกระยะับถี่ เดโมงหรือวันเดนทีไม่มีบุคคลผูใดหรืยาอะไรหรือที่อยู่ที่อาศัยที่ไหนจะป้องกันแกงตายได้เมื่อเห็นเป็นจริงอย่างนั้นจึิงที่ไม่แกงไม่ตายคือเป็นของอัจฉริยที่เหนือโลกคืออะไรท่านจะพิรุธพิจารณาวินุษไถแล้วูมเห็นเด่นในใจของ่ันว่าอันนี้ แม่อยู่ในขอบเขตของสมมติอันนี้ในจิตข้องในโลกอันนี้วิเศษจะเศษเป็นสุท้ามีทั่อยู่ทุกการทุกเวลาตื่นม่มีเวลาหลุ่มเกบานในมีเวลาหยุดเฉียบยดอยู่ที่เห็นเป็นจริงรด้หมุดลอยสรรชง ในต้องไปถามใครเข้าใจในตัวเองเพราะตามตัเศบัตที่สงบสงัดงเียนเป็นอย่างไรละเอียดเป็นอย่างไรเข้าใจมาทุกระยะทุกเวลาที่จิตตั้งหน้าตัวเทศบัตที่ิได้สัมผัสเห็นนไปถึง่สุมีมเป็นอย่างไรก็ทานใจ การสาธิตปฏิบัติอัดคันจะบอกอนปฏิบัติหน่วยหน้าหลักเบาขนาดไหนจิตใจจะเป็นไปอย่างไรจะเสื่อมจะเจริญอีกหรือไม่เข้าใจเพราะเรเาเห็นความบริสุทธิ์แต่ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปอีกได้ในอย่างนั้นก็ไม่ชื่อว่บความบริสุทธิ์ ใท่านเข็นเป็นจริงอย่างนั้นความยึดมั่นเชื่อมั่นความจตดข้ อ, อ, ของต่างๆมันไม่มีเมน่อวันจะลุ่นจะหลงจะเสื่อม จ, จะเสี ย, จ, สยจะขาดจะทองในความบริสุทธิ์ของท่านธ่ามจริ ง, ง, งได้ชื่อว่าเป็นผู้เกษรผู้นิเเษ เราทุกคนจะมีีิเลสตัณหายังไะเห็นใ่เป็นอย่าง ข, 3, 3, าาาขั้นสอบซึนคากันยุนิจาานาตามอัตธรรมสิทธิพุทธเจ้าเน่สอบใจทื่อยุ่นคุณเชี่ยงต่างๆแต่ให้ยามกำหนดยุนิจารนาให้จิตสงบระงับให้จิตที่เห็นตามเป็นจริง ความวุ่นวายของจิงตความเปล่งแ่งของจิตจะนับดันสงบเข้า้วงับเข้าเปลีข้นสงบสุขที่เหยียดยางนับจิสันติพลังสู่ถห้สุขเลิกประเสริญยุ่งเสรินิทานังปรามังสินดัง่งอะไรสินอะไรยังจะทราบในความบินิจฉุกทั้งตัว หนึ่งการประพปฏิบัติดูเห็นเป็นจริงอย่างนี้เราควรจะนอนใจต่อวันนั้นก่อนเดือนนี้ก่อนเราควรจะนอนใจก่อนชาตนั้นชาตนี้เราไม่สระพฤปฏิบัติชาติไหนก็ตามเหมือนกันกับเราเมื่อานอาหารจะมีมากมาขนาดไหนก็ตามวันใดเดือนใดกอตามความอิ่มจะมาเกิดขึ้น ความเหื่อยจะเทวีคูณจิตในการในการปฏิบัติอารมของพานนงนั้นอย่านึกว่าที่เหียบปัญหามันจะตกออกไปเองอย่นึกว่าจิตใจเมื่ออยู่ไปนานมันจะสมบูรณ์เองมันไม่สมบูรณ์มันจะสมบูรณ์ได้เพราะการที่นิจุปารณาเพราะการประการปฏิบัติมันจะอืนมได้ถ้าเราทําจะเป็นอาหาร ประโยนไหนตตามแตเราทานเกล็ดนื้อข้าของอาหารแล้วจะอิ่มสุดคือธรรมะคำสั่งสอนคำพูดใจ้จมีมากมาแต่ถ้าเราไม่เอามาฝึกอบรมใจใจของเราธรรมะจ็เป็นธรรมะอยู่ใจนในเป็นสาระประโยชน์อะไรใหจิตใจจุ่มหลงคุณมัวอยู่อย่างไรก็จะนุ่มหลงคุณมัวอยู่อย่างนั้น เมื่อเรามาสึกอบรมเกลือของเราประเภทปฏิบัติจนจิตเรื่องเห็นตามเป็นจริงแล้วธรรมะมนพร้อมยังดีเด่นรู้สึสะเทือนอ่าจิตเราฟังก็ฟังเรื่อยไปตาหรับตำลาที่เราอ่านใ่ว่ามัดบาทผลกว่ามีมุดมีหมอกอะ ค่าค่าสิกิตเราฟอมอ่านได้แต่จิงเรานั้นก็อฟอมเหมือนกันคือว่าได้อ่านได้แต่ก็ลืมหลงได้จิดคล่องได้ยึดถือได้ถ้าหากมันเห็นมันเป็นจากการแต่งตัปฏิบัติอาชมจริงจังจริงวนั้นจะก้มมุดในสู่กว่าต่างตัวของตัวจะรู้เอย วัยจิตอย่างนี้เคยต่อติดปฏิบัติมาในเคยเห็นเคยเป็นเห็นจิตอย่างนี้อยู่ในข่านละเอียดผู้ทีเห็นคือเป็นมีความสุขความสบายหรือเพีงเข้าขัดของอัดคำที่สัมผัสกับจิตจนหลุดพ้นออกไปเป็นอย่างเรต่อมีการตสัยอีก เพราะเป็นการที่ที่โผลเห็นเองปัจจัตตังรู้สัพเพิปพฤติปฏิบัติดังนั้นอาจทำทุกอย่างที่เป็นหน้าที่ของพวกเราเราคิดคดข่าวเป็นนิสนัยฝนจะควรผลใจสึกผลแนะนำร่ำสอนตัวเองอย่าไปคิดอย่าใมนั้นก่อนเวลานี้ก่อนแต่ถานที่ สงบสงัดดีเราใชยดูดาว่าใจเราเคยให้ทุกแก่ใจแต่จิตใจของเราไม่สงบสงัดต่างหากมันจึงยุ่งเรื่อยไปอยู่ในเมืองในคูหรือว่าเรื่องมันมากงานมันมากนะตอนนี้เรื่อสงบสงัดไม่ได้เราอยู่ฝาปล่อยจิตลอยลมไป ในต่างใจทำสิมันเปิดเห็นท้งจริงให้ผู้อยู่ต่างผู้เคอยู่เคอาศัยมาเป็นเวลานมนานแต่วันเกิดปกงอยากจะไปเห็นบ้านใหญ่เมืองโตไปกสถานที่นั้นที่นี้จึงจะต่างหน้าต่างๆาลงมือภาวนะา ท, ทําความเสียงมีเหงื่อท้งจิตมันปูพูไปแล้ว อยู่ต่าเมื่ผู้อยู่ในเมืองมันคิดมันปรงอย่างนั้นถ้าเราล้วไม่แก่ไขกับจิตอย่างของมันเมื่อเราจะเอาจริงกันสักผีกําหนดที่นึกชื่อใจนะตอนอยู่ที่นั้นว่าจะไปที่นั้นจึ่งจะทําความดีอย่างเห็นชื่นแต่ถ้าว่าเมื่อไปถึงที่นั้น มันไปอีกอย่างเหมือนตันอย่างนั้นเร า, มามไม่จับจิตมันมันก็จะแก้ตัวเรื่อยไปปลูกมัน่นเรามาบวชก็ดีมาภาวนาก็ดีเราจะมารักษาใจของเราคือฟื้นฟูเศษเชียนต่างๆเราจะตัดออกตัดที่หน้าที่จะทําความดีอย่างไรตั้งใจกําหนดที่นิพพาน คนให้เห็นความดีที่พระพุจ้บอกเยชื่นจากการปฏิบัติของตัวในอย่างนั้นจะเกิดความสงสัยลังเลใจแตวาขณะยังในมืออารมณ์ยังอ่อนจะคิดไปงงไปสั่งสงอยู่ทางตัดด้วยสัญญาอารมณ์ขงใจมุ่งมั่นฝึกอบรม การจริงจังอาจทำความสั่งของผูทใจจ้าจะรู้เห็นเด่นชัดขอให้เห็นในใจจะเชื่อม่ถ้าไม่เห็นในใจแล้วควาเชื่อจากลมปากของคนอื่นผมอยากจะลืมหลอย่างง่ายดายหากเห็นเนจริงจากการได้สัมผัสโวยการประพฤติปฏิบัต ของเจออ้าเองแล้วจะไ ม, ม่มีดันลื่มเหล้าหนการปฏิบัติธรรมที่จะหนอาที่อของพวกเราท่า น, ะนจะไปซึ่งจากการนั้นเท่าไนั้น่อก่อนวันนี้ระยะนี้โอกาสนี้เป็นหน้าที่ปฏิบัติบ้าง อย่างนี้ใชโลจะจะกแตปฏิบัติแทนเราแเราแบบปฏิบัติโดยจประมตัวการเกิดการตายเคยจะเกิดพบมานับในทั่วโดยท้องดีทั้งด่นอะไราาาาานนะการกินการอยู่การหลับการนอนก็เคยพบผานกันมาทุขนาดหนอยอจิตจะจิตท ห, หลวงไหลจิตเม่ ความหลุดพ้นจากที่เด็กปัญหาเป็นอย่างไรเพยประสบพบเหนนะทำไหมซิไม่อยากเห็นอกอู้เราเห็นเราเราเต็มใจิตในใจความสุขที่พระพุทธเจ้าเ่าไว้มันจะจิขึ้นไหนความหลงของใจด้วยกัญญาอามไทยนอกนั่นก็หลงแต่ความเต็มความเห็นจะจับ ในอดทำคือเคยัมผัสปฏิบัติเมื่อเห็นเกิดเป็นสจากตัวข้าตัวมันไม่มีหลมันเป็นอย่างไรจะเข้าใจภาพเคนอยู่อย่างนั้นมีทันเรว่าสัตธรรมคือของจริงมีอยูุ่่วนวยเรู้้เข้าใจสมุทัยจริง จิตไปจิตค่องปวพันป็นนหละนีโลดความรู้ว่าทุกมันดับสนิทไปอย่างไรไปจากในใจพอไม่ลืมหลง